เราจะใช้องค์ของสติสัมพุทชงหมายถึงว่าสติที่มันผ่านจากมีความรู้สึกตัวที่มันมันพัฒนาจากสติปัฏฐานมาเป็นสติสัมพุทชงสติปัฏฐานมีสใช่ไหมวิจนากายเวทนาจิตธรรมแต่พอไปสัมพุทชงมันมีจิตเพราะสติในสัมพุทธชงเป็นองค์ของวิปัสสนาโดยตรง ตสติในสติปัฏฐานนั้นเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาดังนั้นเองก็เมื่อถึงจุดนี้ก็อยากจะให้เราจับประเด็นในเรื่องของวิปัสนาให้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทําปนกันมาระหว่างทั้งสมถะวิปัสนาะแต่องค์ที่จะยกเข้าไปสู่ตัววิปัสนาโดยตรงได้ก็คือสติ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 อีอันหนึ่ใช้ก็ว่าอนุปัสนากายานุปัสนาสศรษฐิปฐานใช้คำว่าอนุปัสนาคือการตามดูตามดูตามเห็นเรื่องไปในกายทั้งหมดอ่ะแล้วตามดูมันเนี่ยนี่เป็นทางสมถะและวิปัสนาแต่พอมาสัมผัชงเนี่ยให้ไปพิจารณาการตื่นรู้ของจิตการตื่นรู้ของจิตให้พิจารณาอยู่สอสองเรื่อง ที่ท่านกล่าวไว้ในสิบประธานว่ากายกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานนสติมาวินัยยโลเกอวิชาดูมนัสสังไปถึงทำเมธมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานนสติมาวินัยยโลเกอวิชาดูมนัสสังจะ <c oughs> พิจารณาสองเรื่องทั้งหมดอะคืออภิชาและดูมนัสวิชาดูมนัส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 ก็สองเรื่องเรื่องเกิดและเรื่องดับจำจำหลักของเรื่องไว้ให้ดีอะ่ะเพราะมันจะโยงไปสู่เรื่องอะไรทั้งหมดในทั่วจักรวาลได้นะจากการเกิดดับมันขยายขึ้นมาหน่อยเรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรรูปกับนามใช่ไหมแล้วก็บอกเรื่องเกิดเป็นรูปเรื่องดับเปน็นนามอย่างนี้นะฮะก็ขยายไปคือทําไมมันเกี่ยวข้องด้วยอภิชาและยถุมนัทเกี่ยวข้องด้วย อภิชาคือความพอใจทุมนต์คือความไม่พอใจใช่อภิชาคือความชอบใจทุมนต์คือความไม่ชอบใจอภิชาคือความถูกใจทุมนต์คือความไม่ถูกใจอะไรเนี่ยมันก็ขยายไปเรื่องเกิเรื่องดับทีนี้พอมาเรื่องของธรรมวิจยะสัมพุทธชงก็เอาเรื่องเนี้ยไปพิจารณาการที่เราพิจารณาเห็นการเกิดดับที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ย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 มีหนักมีเบาใช่ไหมมีคิดมีไม่คิดมีพอใจมีไม่พอใจเกิดขึ้นสลับกันไปสลับกันมาตลอดเวลาการหยิบยกเอาเอาสภาวะทั้งกายทั้งจิตที่มันกํานังเกิดขึ้นมาพิจารณานี้เรียกว่าธรรมะวิจัยต่างกันไหมเหมือนมันคล้ายกันมากธรรมะวิจัยกับธรรมะวิจารเห็นไหมเขาวิจารณ์หมายถึงว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องปรุงแต่ง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 แต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดปัญญาอิปัสนาญาณไม่เกิดวิปัสนาญาณไม่เกิดวิปัสนาปัญญาเราจึงมักจะลืมไอ้สองตัวนี้เราไปไปจําแต่เรื่องปาเหตุทั้งมันใช่อืมง่ายๆเนี่ยเรื่องอย่างเราเดินมาไม่เช้าเนี่ยบางคนรู้สึกมีความผุนคล่องอยู่ในใจบางคนก็รู้สึกเบิกบานใจบางคนก็รู้สึกสงบบางคนรู้สึกไม่สงบ มันมีแค่เดียใช่ไหมในใจของเราเนะี่ยหรือว่าใครมีอย่างอื่นบั้ง <c oughs> ไม่มีใช่อหมอถ้าคนที่มีความรู้สึกสงบเบิกบานสบายใจอ่ะก็ถือว่าได้อารมณ์ไปพอนะคนรู้สึกเดินไปแล้วขุนมัวสมองคิดแต่เรื่องอดีตคิดถึงเรื่องการได้การเสียคิดถึงเรื่องของการถูกกันผิดที่ผ่านมา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 เราสึกพอใจไหมเช่นเรารู้สึกถึงความสงบหรือสึกว่าเราได้ใช่ไหมสักพักหนึ่งความสงบเสียไปรู้สึกว่าเราเสียไหมไม่พอใจแต่ถ้าหากการเกิดขึ้นมานะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นต้นชั่วโมงเรารู้สึกขุนมวยเศ้ามองพอชั่วโมงที่สองเรารู้สึกผ่องใสาการเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นอกุศล และการดับไปเป็นของอกุศลนี่ยดูเหมือนว่าเราได้ใช่ไหมแต่การเกิดขึ้นของอกุศลและการดับไปของอกุศลการเกิดขึ้นของอกุศลและการดับไปของอกุศลเป็นยังไง ร, รู้สึกได้หรือไม่ได้ฟังให้ดีนะการเกิดขึ้นของความรู้สึกดี แล้วความรู้สึกดีนั้นหายไปเป็นความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแทนเราทึกเสียใช่ไการรู้สึกดีเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกดีหายไปเรา้สึกเสียนี่คือของที่มีอยู่จริงนะมันก็สลับกันเกิดกันดับเกิดดับดับดับนี่แต่เนื่องจากว่าเราไปสําคัญการเกิดว่าเป็นเราได้และไปสําคัญว่าการเสียไปว่าเป็นเราเสีย วันนี้เราวันที่สิบห้าสิบหกเน่ะเราซื้อหวยใบหนึ่งใช่ไหม <c oughs> อพอออกไปรู้สึกว่าเราถูกหวยเนี่ยเราวันที่หนึ่งโอ้รู้สึกใจฟูใจพองเลยใช่อ่าแต่ออกไปรู้สึกโอ้หวยซื้อไว้เยอะมันไม่ถูกสักใบเลยก็รู้สึกเราเสียอแต่ก่อนหน้าที่เราไม่ได้ซื้อเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มีไหม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 มันก็รู้สึกโอ้ดีใจไม่ใช่ดีใจธรรมดานะลิงอย่างวันใหญ่ก็ดีใจแบบลิงโลดกลับไป น, นี้เลี้ยงคนท้งบ้านนะี่ฮะขอนหน้าผมเป็นเจ้าภาพเองหลวงพ่อนี่เละมันจะได้อะไรตามมาเยอะแ ย, ยะเลยหเอากุฏิหลวงพ่อจะสร้างกี่หลังว่ามาเลยอะไรเนี่ยโอ้มันได้ระเบิดระเบิดเนี่ยเนี่ยความได้แล้วเออจอง กูเตไว้หลังหนึ่งกะว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยไปสร้างให้แต่เกิดว่าไม่ถูกรางวัลผมไม่ได้สร้างไม่พร้อมนะครับพีนี้เ <c oughs> นี่ยไหะแล้วก็เสียไปก็รู้สึกว่าเสียอะไรหลายอย่างเสียจ่าไม่ได้ว่าจะสร้างไม่ได้สร้างอะไรนะเนี่ยมันก็รู้สึกเสียไปสาเหตุต้นๆมันคืออะไรความอยากใช่ไหมความอยากถ้าเรารู้เท่าทันความอยากเสียแต่แรกเนี่ยการได้การเสียที่ตามมาเนี่ยมีไหมไม่มี เนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้เท่าทันการได้การเสียตั้งแต่แรกทีนี้การได้อย่างการได้มาเนี่ยมันเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งใช่ั้ยก่อนหน้าเนี่ยคำว่าได้มานไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นลักษณะของอะไรอันนี้จังอ่าใช่ไมแน่่แหนก่อนหน้านี้ไม่มีความคิดแบบนี้นะ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 นั่นอ น, นิจังพอมันได้สมที่เราอยากทุกขังไม่มีมีความสุขเป็นธรรมสำหรั บ, บเราอนัตตามีไหมไม่มีมันกลายเป็นธรรมแต่พออั น, นิจังมันมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเสียว่าจะได้แล้วมันไม่ได้ทุกขังเกิดไหมเกิดอนัตตาเกิดไหมเกิดนั่น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 อนิจสัญญานะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยเราพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นสัญญาตัวนี้เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะการที่เรามีสติเข้าไปพิจารณาถึงการได้การเสียที่มันยังเป็นอดีตอ น, นาคตเนี่ยมันยังไม่มาถึงนะการถูกหวยได้หวยนีนะแต่ขณะนี้ที่เราได้เราเสียอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้คืออะไร คือได้ความคิดมาความอยากนั้นมานะเราเดินไปแล้วก็อยากสงบสงมมติว่าความอยากให้จิตสงบได้อารมณ์เนี่ยมันเป็นหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไมอมการไม่สงบการฟารุร้งซ่านการม่วงเหงาเนี่ยมันเป็นการซื้อหวยไม่ถูกใช่ไหแล้วก็รูกว่าเสียนี่คือคือเราจะต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถ่องแท้ให้ขึ้นใจทีเดียว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 ท่านก็กลับมาอยู่ที่มาดูไอการได้การเสียแล้วไม่อยากจะได้เพราะได้แล้วมันก็จะมีการเสียเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระอริยจาทั้งหลายท่านจึงสลัดออกสลัดออกสลั ด, ออลดออจนไม่มีเหลืออะไรอยู่เหนือการได้การเสียแต่พระโสดาบันเนี่ยยังต้องการได้ถึงเจ็ดสิบซใช่ไหม เออถ้าหากวันมันได้มาตามนั้นเขาก็มีความสุขเจ็ดอร์เซตแต่ถ้ามันได้มาตามนั้นเขาก็มีความทุกข์เจ็เปอร์ซนตเหมือนกันแต่ยังเหลือความสบายใจอยู่ยาง 30% ปอร์เซตแต่ผู้ผู้ดชนนี่ร้อยทั้งร้อยเลยได้มาก็1้อยเปเซเสียไปก็เสียใจร้อยเปอร์เตเลยมันไม่มีเหลืออยู่เลยบุ้ดชนแต่พระโสดาบันยังเหลืออยู่เสียใจไป70็อร์เซรู้สึกยังมีใจเชื่ออยู่ 30% เอร์เซ พระศิกราคา่ะมีถ้าหวังอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ได้อย่างหวังเขาก็เสียใจแค่อะไาสิเปอร์เซใจยังมีชื้นชื้นอยู่อีก5 0าก็ยังดีใช่ไหมพระอนาคามีถ้าหวังไม่ได้อะไรมานะเขาก็เสียใจแค่2 5่แต่ใจเขายังดีอยู่ถึง 75% จ็ดสิาอร์เนต์ะหันไม่เอาทั้งสองอย่างเลยไม่อยากจะได้อะไร เพราะได้แล้วมันต้องเสียเมื่ออยากจะได้เงินได้ทองไม่อยากจะได้ลูกแม้แต่ไม่ไม่อยากจะได้แม้แต่ความอยากอะ่ะใช่ไหมเพราะความอยากเป็นที่เหตุของการได้มาได้เสียไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านึกแต่ว่าตัณหาจึงเป็นสมุ ท, ทยัยต้นๆเลยต้องต้องละตัวนั้นแต่ในชั้นอย่างเราเราเนี่ยจะละความอยากเลยเนี่ยอืมันยากนะทำใจยากเหมือนกันอืม อยากแค่น้ออยางน้อยก็อยากดีอยากสบายอยากสุขอยากทุกข์ดังนั้นเวลาเราในสติปัฏฐานสีท่านจึงให้หละสองอย่างเนี่ยคือละการได้และการเสียการได้มาอย่างใจเรียกว่าอภิชาการไม่ได้มาอย่างใจเรียกว่าโทมานัตใช่ไหมอัตตาปีสัมปชโนุสติมาวินัยยโลเกะอภิชาโทมนานัสังคําว่าวินัยยะหมายความนำออกสลัดออกทั้ง ความชอบเดี๋ยไม่ชอบแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมโอ้มันยากมากเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท้าทายนะแต่ยังไงก็ตามเราอยู่ในโลกของการได้การเสียเราไม่สามารถเจริกเลี่ยงมันได้แต่เราจะทําำไงให้รู้สึกได้รู้สึกเสียให้น้อยที่สุดอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องการสําหรับคนไม่วิวปัสนาเลยเนี่ย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 นั่นมันมีตั้งตั้งต้นตั้หานตั้งแต่แรกเลยเนี่ยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยโอ้ไม่สนุกเลยวันนี้ได้ทั้งวันเอาพรุ่งนี้มันไม่ได้เกิดเศร้าหมองอีกวันหนึ่งเราจะเศร้าหมองผองใสกับการได้การเสียเนี่ยตหลอดแต่แล้วเมื่อไรเราจะอยู่เหนือมันได้ก็คือมาตั้งต้นที่จะไม่อยากได้และไม่อยากเสียเดินเฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ง่ายกว่าไหมแต่ทําใจกันได้ไหม ทํายากมากเลยแต่ถ้าหากไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะระดับพระอนาคามีเลยนะอแล้วพระอนาคามีเนี่ยจะทําทใจงั้นได้แต่เราก็ทําไว้เรื่อยๆเนะเผื่อว่ามันเกิดปัญญาขึ้นมันอยู่ที่ปัญญาพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยนะมีสมัยหนึ่งที่หลวพ่อเทียนท่านเผยแพร่เรื่องนี้คนกำลังขึ้นกันเยอะพ่อใดใส่รองเท้าไหมอะไรเนี่ย เวลาเดินฉันกี่มือถามรายละเอียด้วเนี้หมเท่นก็ฟังปวพูดจบหลวงพ่อบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องมือศีลกินเจไม่ใช่เรื่องรูปแบบแต่พุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดปัญญานั่นแหละเรื่องพุทธศาสนาพูดไม่ออกเลย <c oughs> อ้าวที่นี้ไปหาอาจารย์พุทธทาสมัง่งถามแบบเดียวกันนี่แหละ อจารยพระท่านก็บอก่าใครกินผักกินมังสวิรัติสำคัญตัวเองว่ากินผักคนนั้นก็เป็นขวายเนะพระาะชาวมาวะควายเมกินผักเหมือนกั น, กนแต่ใครกินเนื้อแล้วสำคัญว่าตัวเองกินเนื้อคนนั้นก็เป็นเสือเพราะพวกสิงสาราสัตว์พวกเสือมันชอบกินเนื้อแล้วคุณจะเป็นเสือหรือเป็นขวายมิจัดเลยด็นีเงียบเลย เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้เราเข้าใจผิดกันเยอะเลยว่าทำอะไรก็ได้ให้แต่ปัญญามีสองอย่างใช่ไปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฐิกับปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิปัญญาที่เรามาแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องการปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วปัญญาที่ทางชาวโลกใช้กันเนี่ยเพื่อจะได้มาเป็นปัญญามิจฉาทิตฐิก็ได้มาทุกคนแสวงหาก็ได้มาแต่ว่ามันมีการเสียด้วย ถ้าได้มาแล้วเสียไปไม่เสียใจโอเคเป็นปัญญาสมาธิทิฐิถ้าอยากได้มาแล้วว่าเวลาเสียไปเราเสียใจด้วยนั่นเป็นปัญญามิจฉาทิฐิแต่สิกนกอยตรงนั้นแล้วส่วนใหญ่สมมติเอาได้มาวันนี้เป็นล้านเลยพรุ่งนี้เสียไปสองล้านทำใจได้ไหมไม่ได้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่วันนี้ได้มาล้านหนึ่งพรุ่งนี้เสียไปสองล้านเฉยๆไม่มี life, อะไรเกิดขึ้นเอออย่างนี้ปัญญาสมาธิเห็นไม ดังนั้นวันวันหนึ่งเราจะอยู่กับการได้การเสียตลอดแต่ทําไมเรามองข้ามมันแต่บางบางทีเราก็รู้นะอันนี้มันเป็นอันนี้จังทุกข์ของหน้าตาเราหาเรื่องอื่นมากลบซะก็เป็นกรรมของเราเมื่อก่อนเนี่เราอาจจะไปเอาของเข้ามาวันนี้เราเลยเสียไปก็พยายามลึกเพื่อปลอบใจตัวเองไะแต่ลึกๆเราทําใจอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมันเป็นเรื่องปลายเหตุทั้งนั้นเลยดังนั้นเมื่อเรา ศึกษาปฏิบัติในแง่ของสภาวะนี่เราต้องมาพิจารณาทางสภาวะมาเมื่อก่อนนี่สวดกุศลธรรมมาไปปฏิกาไปบางสกุลนับครั้งไม่ถ้วนตามบ้านงานศพแต่ไม่ค่อยได้นำเอาบทสวดมาพิจารณาแต่พอเราพิจารณาเรื่องนี้ไปพีม่มันถึกตวัดได้คิดถึงบทสวดที่เราสวด ทัศนีนัปหาตถาธรรมมาภาวนายปหาตถาภะธรรมาเนวทัศนีนัปหาตถาธรรมมาบทแรกใช่ไหมอันนี้เวลาใบบ้านไใ บ, บบอานศพเนี้ยก็ได้ฟังแบบเนี้ยแล้วบทที่สองต่อมานะ่ะทัศนีนัปหาตถาภะเฮตุกาธรรมมาภาวนายปหาตถาภะเฮตุกาธรรมาเนวทัศนีนะปหาตถาภะเฮตุกาธรรมมา บอกว่าบางอารมณ์บางอย่างเนี่ยความอยากบางอย่างละด้วยกันทำความเข้าใจมันก็ละได้บางอย่างละไม่ได้อย่างยมถามเมื่อคนะืนน่ะว่าไอความละละได้ทำใจได้บางอย่างก็ทำไมมันก็มาทั้งกุศลแกุศลแต่ละอารมณ์เนี่ยมันก็มาทั้งสองอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดทั้งสบายไม่สบายแต่ละเวลาไอการเข้าไป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 ดังนั้นเองพอมันเกิดปัญญาปับ๊บมันก็เกิดปัญญา่าอ๋อถ้าเรารู้สึกว่าเราได้เดี๋ยวมันก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เลยเพื่อจะได้ไม่ในเสียแต่ว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงมันจำเป็นต้องมีการได้และการเสียใช่ไหมเราก็ต้องมาทำใจหมว่าเมื่อมีการได้ถ้าเสียไปเราจะไม่เสียใจนะดัะการภาวนาก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อให้มีการได้ การได้แล้วไม่มีเวลาเสียไปไม่เสียใจทำคือได้สักแต่ว่าได้ตามหน้าที่ไม่ใช่ได้ด้วยมาความอยากใช่ถ้าได้ดยมาด้วยความอยากคือตัณหาเนี่ยเสียไปมันก็ต้องเสียใจแน่นอนนะใช่ไมเพราะนั้นการได้มาโดยชอบทำคือได้มาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมอันนี้การได้มาอย่างถูกต้องอย่างนี้เป็นธรรมเขาเรียกยุติธรรม เนเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นค ร, นน ร, รูก็เป็นให้ดีที่สุดเป็นข้าราชการก็เป็นให้ดีที่สุดทําตามหน้าที่อยากได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นลักษณะนี้ไม่มีปัญหาเป็นกุศลเป็นบุญเพราะได้ทําตามหน้าที่แต่ 99.9 เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยใช่ไหมถึงแม้ว่าเราทําหน้าที่แล้วเราก็อยากได้ใช่ไหมเราทําเป็นเงินเดือนเท่าเนี้เงินเดือนละหมื่น มันขึ้นสักหมื่นสักหน่อยก็ดีนะใช่ไหมสักหมื่นสองมื่นสามก็ดีเพราะค่าใช้จ่ า, ายมันเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้าตอนที่ไม่มีเงินเดือนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่มีนะใช่ไหมแต่พอได้เงินเดือนแล้วอยากจะได้เพิม่มอปีละสามขั้นห้าขั้นขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้เพิ่มอย่างนั้นวันหนึ่งเกิดรถถูกรถค่าเงินเดือนไปไงเสียใจอย่างมหาศาลเลยนะถึงแก่นั่นอันนี้คือ ขอ้อแท้จริงในในชีวิตจริงนะแต่ว่านั้นมันเป็นปลายเหตุแล้วนัคนไม่วิปัสนาเนี่ยจะทำใจกับเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะเราได้แฟนมารักมากใช่ไวันหนึ่งเราเสียแฟนไปก็ต้องเสียใจอีกอะกรณีเดียวกันหมดเดยอะกันหมดอะไรพูที่เจ้าถึงนบอกว่าไม่ควรทำคนและสัตว์ให้เป็นที่รัก ก็มีรักที่ไหนก็มีภัยที่นั้นรักที่ไหนก็ถ้าก็ตัดเป็นธรรมะอย่างนี้ตลอดแล้วล็อกได้ไหมมีใครทําได้ไหมถ้าไม่ภาวนาเนี่ยทําไม่ได้นะแม้แต่ภาวนาเนี่ยทาใจยากเลยเยอะอยู่บ้านเรายังลักบาตัวนี้มากมากเลยใครมาแต่ต้องหมาไม่ได้เนะี่ยกลับไปนี่บอกให้คนณชาที่ฉันไม่อยู่ให้แกเอาเข้าวให้มากินหน่อยนะกลับไปคนณชามันหนีไปเที่ยวเฉยเลยไม่ได้เอาเข้าวให้มาเรากินเลยเปไ็นไงไอกรรมฐ า, านที่เราไปดีๆนะห้หมดเลยนะ อันนี้คือข้อแท้จริงนะ่ะใช่ไหมคุณเฉลิมชัยแอบเลี้ยงอะไรไว้ที่บ้านบ้างกลับไปเจอนะจะไปขุนมัวกันแล้วกันนะอะไรที่สั่งคนใช้เอาไว้เนี่ยนะสั่งเพื่อนเอาไว้เนี่ยอันนี้ท่านจะไปภาวนาสักเดืนวันบ้านติดกันฝักบ้านไว้หน่อยก็แล้วกันนะเพื่อนมันก็ไม่อยู่บ้านอย่างเรามันเับไปของหายโกรธเพื่อนอีกเรืหนักแล้วก็เสียใจของหายทางหางเนี่ยเห็นไหมมันก็ดับเบิลไปอย่างเงี้ยทั้งที่ภาวนาประโยกโยกอันนี้คือ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 ดังนั้นเวลาเราภาวนาเรานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมต้องพิจารณาถึงการได้การเสียให้เป็นนิสัยเอาไว้บางคนทำไปเรื่อยๆป่วยๆไม่ได้จับประเด็นเหล่านี้เข้ามาเนี่ยถ้าเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ทำใจไม่ได้เพราะในช่วงนั้นมันไม่เกิดปัญญาความเพียรแต่ไม่เกิดปัญญาเพียรนั้นมันก็ไม่ทำให้เกิดทักษะในใจใช่ไหะแต่ว่าไม่ได้ไปพิจารณา เป็นธรรมวิจาร์นะอันนี้ต้องแยกให้ดีนะธรรมวิจารณ์หมายคือว่าสิ่งที่เรากาลังพิจารณาไม่สัมพันธ์นกันกับขนา่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมวิจาร์ทั้งหมดเป็นเหตุเกิดทุกข์ทำให้เกิดความอะไรฟุ้งซ่านใช่ไหมฟุ้งซ่านนำเอาเรื่องอันนี้จังทุกครังนั้นที่เกิดในอดีตมาพิจารณาก็เป็นธรรมวิจาร์เป็นเหตุเกิดทุกข์นำมาเรื่องอันนี้จังทุกครั้งนั้นหรือธรรมะข้อดีๆยังไม่เกิดน เ, เ น, นี่ยเอาไปพิจารณาขณะนั้กนก็เป็นเหตุเกิดทุ ก, ออทก ข, ข์ เป็นสมุทไทยแต่นําสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขัดแก่เราขณะเ น, นี้เดี๋ยวมันยุงมันกัดมันคันใช่ไหมเราอยากให้มันกัดไหมไม่อยากไอ้ความอยากแล้วไม่อยากเป็นเหตุของอะไรเป็นคู่กันใช่ไหมเราก็กระวนกวายต้อยไล่หาไหนไออยากกันยุ่งอยู่ไหนอะไรนั่นใช่ไหมแล้วก็พิจารณาพอเราได้สติอ๋อ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 ก็เพราะเราเมื่อแด้ลําเรื่องนี้มาใคร่คนเป็นเป็นนิสัยของจิตเมื่ออะไรมากระทบปับ๊บมันนึกไม่ทันว่าอันนี้คือความอยากว่าความเป็นกูเป็นมึงขึ้นหรอมึงอย่ามากัดกู <c oughs> กูจะภาวนาอย่างนี้นะบทภาวนาเป็นไงเสียไปไหม <c oughs> ก็เสียไปเลยอะ่ะทาไมอะไร่ไปสารพัดเลยทีเนี้ยแต่แทนที่จะได้สติขึ้นมาอ๋อ นะฮะแล้วก็เรามีหน้าที่ปัดปลายไปด้ยไม่ต้องอยากว่าให้ไม่อยากให้มันกัดหรือไม่กัดถ้ามึงเกิดมามึงไม่ถึงสี่วันมึงก็ตายมึงก็ต้องรีบทำอาหารกินเพราะมึงตายภายในสี่วันแต่กูอยู่ไปเป็นร้อยรอยปีนะมึงทําถูกต้องแล้วอยู่นะขอบคุณมันเลยเดี๋ยวฉันจะนั่งให้แกกัดกินสักตัวสองตัวมันก็เกิดมิติใหม่ขึ้นมาเพราะเกิดกูศลจิตเกิดให้สติใช่ไหมดังนั้นไอ้ตัวตัวที่เรา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 อันนี้ไม่เรานั่งแช่ทั้งง่วงทั้งเหงาทั้งปวดทั้งไปแช่อย่างนั้นเขาบอกให้รู้ซื่อๆฉันก็ซื่อๆอย่างเงี้ยมันกระเรียาซื่อบื้อเนี่ไม่ใช่ซื่อมีปัญญาพ่อเคยเทศหลวงว่าห้ามห้ามยุงไม่ให้ตอมไม่ได้แต่แต่ห้ามไม่ให้กัดได้อันนี้หมายคว่าห้ามยุงไม่ให้ตอมเพราะมันทําหน้าที่ของมันออห้ามไม่ได้ห้ามกันได้ก็เราก็มีสติก็ปัดป่ายมันไปห้ามได้แต่มันตอม ก็ไปห้างมาได้เพราะมันยังไม่ทําอะไรเราใช่ไหมเราจะไม่อะไรตกมันก็เราก็ผิดศีลละทีเนี้ย อ, อถ่ถ้าว่ามันกัดแล้วเราไปตกโอเคผิดครึ่งลครึ่งเนี่ยเราก็ผิดครึ่งหนึ่งมันก็ผิดครึ่ง น, นึ่งเจ้ากันไป <c oughs> <าง S 2> ว่าไงถ้าเร า, ารพิจารณาทำมุจจะยะที่ปรจัยแลว่ า, า<อ>มันจะฟุ้งซ่านด้วยไหมคะก็บอกแล้วว่าถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นคุณพิจารณาหรือพิจารณาเกินเหตุมันฟุ้งซ่านก็ในสิ่งที่เราพิจารณาให้พอดีแก้ไข ใช่สมมติพิจารณาแล้วมันเกินไปคุณก็เอาออกใช่ไหมแต่มันพอดีคุณก็ดูมันเฉยๆแต่ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วก็รู้สึกปวดคุณก็ไม่ออกคุณคิดพิจารณาอย่างนั้นอันนี้ฟุง้งซ่านแล้วดีให้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อละพิจนารณานั้นเรียกว่าทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมพิจารณาตรนั้นคือกําหนดรู้ท่านใช้คำว่าปริยัยะทุกต้องกําหนดรู้าการกําหนดรู้ตรงนั้นเขาเรียกคือไม่ใช้คําว่าพิจารณาการตามรู้ ออกมาจึงไม่ไม่อยากจะใช้คำ ว, ว่าพิจารณาเพราะมันใช้คำ ว, ว่าธรรมวิจารณ์คําว่าวิจารณกับพิจารณาเป็นคําเดียวกันตามรู้นี่ก็คือธรรมวิจารใช่<า>เป็นธรรมวิจยะใช่ตามรู้เพื่ออะไรตามรู้เพื่อละเหตุที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ละมันแต่ในส่วนตามรู้ทรรกายท่านใช้คำ ว, ว่าบําบัดในส่วนที่เป็นสมุ ท, ทัยท่านเรียกว่าตัดไป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 มันมีเข้าความจริงอยู่นะความปวดก็มีจริงอยู่คือความปวดนี่ไม่เที่ยงนะเป็นในิจันงทุกครังหน้าตาสัตว์ทั้งหลายก็มีความปวดเป็นธรรมดาไปเลยแต่ดือเปิดเปลืงไปเลยมันก็เลยลืมสภาวะที่ปวดจริงๆในขณะนั้นนะใช่ไหมเนี่ยมันมันแล้วก็คนทั่วไปในแง่ของสมถะา ก, ก็สอนกันแบบนั้นใช่ไหมเมื่อพิจารณาแล้วให้ยกขึ้นสู่ใจรักให้พิจารณาเป็นในในิจังทุกครั้งหน้าตาโดยที่ไม่เห็นสาระที่แท้จริงของในิจังทุกคัก ง, ทกงที่กำลังปรากฏ มันเจรยาว่าไงก็ในแง่ของวิปัสสนาเนี่ยให้สลับไปทั้งสองอย่างทั้งความคิดดีและไม่ดีอ่ะใช่ไหมทั้งดีและไม่ดีทั้งชอบสลับไปก่อน เป็นถ้าหากว่ามันไม่เกี่ยวข้องโดยกําลังสภาวะแก้ไขปัญหาตรงนั้นเป็นวิจารณ์หมดใช่ถ้าแก้ไขตามรู้และบาบัดเป็นวิจัยถ้าเข้าไปสู่ใจเกิดความชอบไม่ชอบตัดออกก็เป็นวิจัยแต่ไปพิจารณาร่างกายควรจะบําบัดคุณไม่บําบัดสิ่งเข้าไปสู่ชอบไม่ชอบเข้าไปใจเกิดขึ้นแทนที่จะตัดคุณไม่ตัดอันนี้เป็นวิจารณ์ละมัวไปคิดในสิ่งที่เป็นกุศลดีๆทั้งนั้นแต่เหตุปัจจุบันคราวนี้คุณไม่จัดการ เป็นวิ จ, วจาริย์หมดถึงแม้จะเป็นกุศลก็ตามท่านใช้คําว่าปุญญาพิสังขารท่านไม่ใช้คําว่ากุศลกุศลนั่นแปลว่าตัดนะกุสละตอนนั้นนะ่ะตัดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเรียกว่ากุศลแต่ว่าที่เราไปพิจารณาหบบ น, นั้นเขาใช้ว่าปุญญาพิสังขารยังเป็นสังขารอยู่เพราะมีสามสังขารใช่ไหมที่เราคนรจะตัดหนึ่งปุญญาวิสังขารในเรื่องดีแต่ไม่จําเกี่ยวข้องด้วยด้วยด้วยความจริงคุณก็ณต้องตัดไปก่อน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 แต่คุณปรุงไปโดยที่จัดการอะไรกับมันไม่ได้เป็นธรรมวิจารณเป็นอกุศลละแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องดีก็าตามมันะปรุงในเรื่องนี้ก็าตามก็ยังเป็นอกุศลเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกัสบสภาวะปัจจุบันอ่าปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ขึ้นอยู่เราเป็นผู้จัดการหรือเราเป็นมันจัดการเราหรือเราจัดการมันอยู่ตรงนั้นละใช่ไหะถ้าเราจัดการมันโอเคมันมันเป็นธรรมวิจญาณถ้ามันจัดการเราเป็นธรรมวิจญาณ ทีนี้เข้าใจแล้วจะไปประเด็นต่อไปว่าเมื่อเราขณะที่เจริญภาวนาอยู่ปรรลุความเพียรถ้าคุณใดเต็มไปได้วยความเบื่อความหนายความเซ็งเรื่องเวลาเมื่อไรจะหมดเวลาอะไรพวกนี้เป็นธรรมวิชารหมดนะเป็นเป็นอกุศลหมดเนี่ยถึงบอกว่าเอ๊ะปฏิบัติตั้งนานปฏิบัติตั้งเยอะทําไมมันไม่ไปไหนอ่ะก็ไปอยู่ในอกุศลตลอดมันจะไปไหนทำเมืน่นใครแต่ว่ามันไปไปคุณธรรมอะ่ะใช่ไหม อันนี้ให้พิจารณาให้ดีนะทําไมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดตั้งแต่วันแรกก็เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสภาวะลองรับถ้าพูดแต่วันแรกก็เป็นธรรมวิจาร์อยู่เดียวไม่เป็นธรรมวิจยัยให้เลแต่มาพูดณวันนี้มาเริ่มแยกออกแล้วว่ามีสภาวะรองรับ ว, วิจยัยมันคืออย่างนี้คือมีเหตุแล้วเหตุให้เกิดขึ้นต้องวิจยัย ม, ม, มีตลอดเวลาไหมมีตลอดเวลาความหนักความเบาความชอบไม่ชอบความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงทุกมีตลอดเวลาธรรมวิจยัยก็ทํำได้ตลอดเวลา คือการบำบัดทุกข์ทางกายและตัดเหตุของทุกข์ทางจิตมีได้แตลอเวลาแต่ร่างกายที่มันเกินจําเป็นเกินเหตุของที่มันก็ฉลับเข้าไปสู่อย่าว่าแต่ทุกข์นะแม้แต่ความสบายเกินเหตุมันก็ทําให้เกิดอะไรโสมนัสใช่ไหมเกิดอวิชยัยอยากให้ได้มากๆอย่าให้โสมมากตัดแม่ต้องตัดแต่โดยที่เราไม่ได้รายละเอียดเรื่องธรรมวิจัยเรากับชอบใช่ไหม ชออยาให้สงบมากกว่านี้อยากให้ลึกมากกว่านี้อยากให้นานมากกว่านี้เห็นไหมนี่เราแยกไม่ออกเลยก็กลายเป็นอภิชาเพราะมันไม่นานอย่างที่ใจคิดเพราะมันไม่สงบลึกอย่างที่ใจคิดรู้สึก อ, อไม่ชอบเราบันทอนไปละโอ้ไม่น่าเลยไปทําอะไรใครสมรมตนะิมีใครมาชวนคุยกลางสงบดีดนี่นะมีใครมาชวนคุยมึงไม่น่ามาชวนกูคุยคุยสงบดีดมันกลายเป็นโทมนัทไปเลยอะ่ะ<อ>เห็นไหมเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเหล่าเนี้ย มันจะต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดมากการภาวนาให้ยังไงให้ให้ดูอะไรต่างๆให้ละเอียดขึ้นมันมีถ้ามันไม่มีเหตุให้ให้ดูทางใจก็มาิดดูทางกายให้ชัดๆทางกายในฝ่ายบวกก็หมายความว่าเราเพลินในสุขทางกายในฝ่ายลบก็คือเราเพลินในความทุกข์เมื่อตัวเพลินนั่นเองมันจะทำให้สุข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 ในสิ่งนั้นก็ก็เห็นความสงบพิจารณาความสงบว่าความสงบนี้เป็นไงมันอยู่ได้นานไหมมันคงที่ไหมก็ดูมันดูว่ามันคงที่ไหมไม่โดยที่ไม่ต้องไปเสพแต่ก็รู้ว่าเออเนี่ยความสงบเกิดแล้วดูชัดจะดูจะอยู่ได้แค่ไหนและส น, นันที้ถูกอ่ะเพราะเห็นความเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระดับไปของมันสักพักนึงพอมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกอเปลี่ยนแปลงในใจใช่ไหมว่าเออ มันเป็นอย่างนี้เราก็เห็นอนิจจังทุขังละอนัตตาเพราะมันตั้งอยู่ไม่ได้มันแปรปรวนให้รู้สึกตัวต่อไปเนี่ยโดยที่ไม่พิจารณาสภาวะที่เกิดเป็นอนิจจังทุขังอนัตตาแต่เราเพิกเฉยต่อสภาวะนั้นเสียพิจารณานั้นไม่ถูกตัวนันเรียกอุเปขาเวทนาคือเป็นลักษณะซือบือ้อดอบันนะนะไม่ใช่เป็นเปราสามพชชง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 ธรรมวิจารณ์จะนําไปสู่อุเปขฆาเวทนาเอามาถึงแบบอุปขาเปรตว่าซื่อแบบไม่รู้ซื่อรู้ซื่อแบบไม่ไม่ถูกเป็นอะไรเาเรียกอะไรซื่อบื้อใช่ไมันน่าจะลักษณะกันนะแต่รู้ซื่อแต่ลักษณะกําลังเฝ้าดูเขาอุเปเฆาเนี่ยเราใช้คํานี้จนชินหูนะแต่รู้มาโนมาอามาอย่างไงคําคเนี้ใช่ไหม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 อุปเเบกขานท่าก็ะยามเมืม่อมีเหตุปัจจัยอะไรมันก็นั่งอยู่เฉยๆนะยามสาสะพยปืนเดินไปทั้งวันไม่มีเหตุอะไรแต่เมืม่อมีเหตุอะไรที่ผิดปกติขึ้นมาพร้อมจัดการชาร์จทันทีนั่นคือลักษณะของอุเเบกขาที่เป็นสัมโพชุ่มนั้นปัญญาที่เฝ้าดูเพราะฉะนั้นตัวอุเเบกขาคือตัวปัญญาเฝ้าดูด า, าดูเขาเปลี่ยนแปลงว่าปกติไหมถ้ามันปกติโอเคก็ดูไปเรื่อยๆ ถ้าผิดปกติปับจัดการทันทีนั่นคือลักษณะของอุเปเฆาเพราะมันคือว่าอุปะแปลว่าเข้าไปอิฆาแปลว่าดูเข้าไปดูเข้าไปตามดูแต่ลองแปลว่าดูเฉยๆเข้าใจนะทีนี้ประเด็นต่อไปว่าในเมื่อเรามีสติสัมผัสชงคอยเฝ้าดูอาการเชื่อมระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอกอันนี้จังทุกขังตามที่อยู่กับกาย ไม่ให้เข้าไปสู่จิตโดยไปตามดูว่าเราแช่ในอาการทั้งพอใจไม่พอจะชอบไม่ชอบไหมการเข้าไปดูความเพลินตรงนั้นเป็นสติสัมพพชฌงค์มันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกายกับจิตและถ้าเข้าไปละตรงนั้นได้เป็นธรรมวิจย ะ, ยะฮะพูดอกทีค่ะอ่ะ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 ไม่สบายเราก็ไม่เกิดปฏิฆะหรือไม่ชอบเวลามันสบายเราก็ไม่เพลินในอาการนั้นเราก็ไม่แช่ทั้งสุขทั้งทุกการ้าลูแล้วคอยบำบัดอย่างนี้เป็นสติสามพุชงใช่ไหมอ่าพอสติสัมพุชงถูกองค์ต่อมาจะถูกหมดเลยธรรมปิยญาปีติปรจจะที่ปัสมัธิเมันจะถูกต้องหมดเลย แต่เพียงแต่ให้หัวขบวนมันถูกเหมือนเรือรถมันมันหัวขบวนไปเร่องนี้จะมีกีโบกี้ก็ตามมันไปตามกันหมดเลยใช่ไหมแต่หัวขบวนมันไปผิดทางกีโบกี้ก็ผิดหมดธรรมะสัมโพชฌงมันเป็นเจ็ดข้อถ้าหัวขบวนเป็นสมาสติหรือเป็นสติสัมโพชฌงมันก็ไปได้กันหมดเลยอ่า แต่ที่เราช่านแจงเอาไว้ว่า <c oughs> ทำไมต้องแจงว่าธรรมวิยะเป็นี้ปีติสติให้รู้ว่าในโบกี้แต่และโบกี้มันมีอะไรบ้างนั่นเองแต่แน่นอนอ่ะอยู่ที่หัวขบวนสำคัญหัวขบวนต้องเป็นสัมมาสตินะครเขาเรียกว่าสติสัมโ์ชฌงค <c oughs> ดังนั้นเวลาเราทำความเพียรเนี่ยรรู้สึกว่าอะไรมันผิดปกตินี่ เ, เราเราต้องปรับเปลี่ยนะ่ะ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 เพื่ออะไรเพื่อที่จะละความเพลินในสุขในทุกที่จะไม่ไหลเข้าไปสู่จิตแต่ในเมื่อสติสัมยาเราไม่สมบูรณ์เนี่ยเราเระวังร้อปเซนได้ไหมไม่ได้บางส่วนมันก็เริ่มหลุดรอดเข้าไปแอบชอบแอบไม่ชอบอยู่เราก็ตามไปละตรงนั้นอีกตามไปละตัณหาตรงนั้นอีกตามไปละความอยากแต่เรา สติสัมปชัญญะเาก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีใช่ไหมเราระวังความพอใจไม่พอใจตัวความพอใจไม่พอใจชัดละเอียดมันก็ไหลลื่นต่อไปเป็นอะไรเป็นความอยากเป็นตัณหากามวตัณหาพวัฏตัณหาไปเรื่อยๆนั้นความละเอียดของสติสัมปชัญญะจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะกลองไอ้ไอ้ตัวไอ้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้จักรุขณาทางรูปไม่ให้ไปสู่น้ําเนี่ยเราถึงใช้ความแยกขายใช้ความโยนิสวงมนติการเนีไง เฝ้าดูโดยแยบขายให้ละเอียดทั้งสามขั้นตอนความสบายนานไปนิดหนึ่งมันก็จะเกิดเป็นความสบายไม่สบายขั้นกลางพอนานไปนิดหนึ่งมันก็เป็นความไม่สบายขั้นหยาบหยากร่างละเอียดถ้าความไม่สบายขั้นละเอียดเราเรียกว่าสุขเวทนาถ้าความไม่สบายขั้นหยาบเรียกว่าทุกเวทนาเพราะอะไรเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์อยู่แล้ว แต่บาครั้งมันทุกน้อยเราก็รู้สึกสบายใช่ไหมเขาเรียกว่าสุขเวทนาแต่พอทุกมันหยาบขึ้นแล้วว่าไม่สบายทนไม่ได้ก็เป็นทุกขเวทนามันก็มีผลต่อจิตแหละถ้าเป็นความสบายอยู่จิตก็ชอบถ้ารู้สึกไม่สบายจิตก็ไม่ชอบเป็นสมุ ท, ทยัยตรงที่มันไปนเกิดตรงนั้นพอเราพิจารณานี้ท่นใช้คําว่าวิริยะสามพชทธชงต่อจากตัว ธรรมวิทยาณนะก็เป็นวิทยะสามโพชงวิทยาสามโพ ช, ชงก็หมายถึงว่าจะต้องไปพิจารณาสี่ประการหนึ่งเฝ้าระวังความสุขทุกทั้งละเอียดทั้งอยา่างให้ดีแต่เนื่องจากว่าสติสัมปชญญะเรายังไม่สมบูรณ์คุณจะเฝ้าระวังขนาดไหนมันจะยังเล่นรอดอยู่ได้มันต้องไปเกิดเพื่อไปเกิดท่านใช้อันที่สองคือให้ตัดรู้ว่ามันเกิด้ะรู้ว่าความพอใจก็ให้ตัดทันทีเรียกวประหานประทานอันที่สองของ ทำวิจัานะทีนี้เราจะคอยปัดคอยตัดคอยแก้ยงงั้นไม่ได้ไม่เวิร์กจะต้องพออพูณตัวความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเหมือนเราจะไฟฉายแค่ห้าเหลียงเทียนไปส่องของได้เห็นในที่มืดอย่างนี้นะส่องเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นน่ะของมันเล็กอ่ะแต่แสงไฟไม่พอวิธีการเขาเราทำไงก็จะไปเร่งแสงสว่างให้มันม า, ม า, มากขึ้นให้ชัดขึ้นใช่ไหม แล้วก็ไปหาของเล็กๆได้เจอเหมือนกันไอ้ความละเอียดอ่อนของอนิจจังทุกขังต า, ง ท, างที่อยู่ทางกายบางครั้งในชั้นความสุกเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกแบบละเอียดใช่ไหมแต่เรามองว่าเป็นสุกอ่ะเราไม่ได้มองว่าเป็นทุกตัวเนี้ยถ้าไม่เกิดตัวปัญญาที่สว่างคนนี้ปับ๊บมันก็จะม อ, มองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกขเราเห็นว่าเป็นสุขอยู่ดีเนื่องจา ก, กตัวญาณปัญญาของเราเนี้ยังไม่สว่างพอเราก็ต้องมา ทำตัวที่สามคือพัฒนาตัวรู้สึกตัวให้ชัดใช่ว่าประชานาติเมื่อมันชัดแล้วแล้วก็อยากจะให้มันสว่างอย่างนี้ น, นานๆนะไฟใช้แรงอ่อนนิดหน่อยเป็นไงเขาเปลี่ยนฐานใช่ติตรี่ตัวหน่อยรีบไปชาร์จอย่างเงี้ยอันนี้คือพฤติกรรมประจำบันของเราใช่หมในลักษณะภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้สึกตัวความชัดเจนมันเริ่มอ่อนลงไป เรารีบเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนฐานคือเปลี่ยนไอเดียบทเปลี่ยนฐานก้อนใหม่นะะก้อนเก่าไม่กี่มันเริ่มเฟดเริ่มเริ่มแสงสว่างเริ่มอ่อนละก็เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนจัดก็ใช้มันจนไม่มีเหลือ น, นั่งแช่กันอยู่อย่างนั้นเดินกันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนไอเดียบทจนฐานหมดอ่ะเพราะฐานหมดระหาของไม่เจอแล้วนี้ <laughs> มันเป็นพฤติกรรมที่เป็นนามลู่ประทับมากใลยที่วิจารณ์แต่ทําไมเรายอมไปสู่นามปรทําไม่ได้ เพราะเนื่องจากว่าดวงตาทำของเรายังไม่ยังไ ม, ไม่ไม่เต็มที่อ่ะเดี๋ยวว่าไม่เกิดไม่เกิดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สว่างเต็มที่นั่นเองมันก็จึงจับถูกบ้านผิงบ้างไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นในช่งชวงเช้านี้เราพูดถึงเรื่องของสามพุทธชมนะเคลียร์ไหมเคลียร์เอาไปใชใ่ถูกกันแล้ววันนี้วัะ น, นั้นวันนี้เราเริ่มเก็บอารลเข้มขึ้นวันนี้วันพรุ่งนี้นะสองวัน พอวันที่สิบนี้อาจจะปิดโปรแกรมไม่ใช่ทำก่อนนะอาจจะทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมเพราะข้าวที่แล้วไปปิดโปรแกรมตอนฉันเพ็ินเสียงหลวงพ่อตกเครื่องเลยไม่ได้ <laughs> โอ้ไมได้เดี๋ยวนี้ไปใจไม่ได้ต้องไปเต้นเช้าหน่อยก็แล้วกันเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราได้รายละเอียดที่เวลาเราภาวนาก็ง่ายขึ้นใช่ไหมโอเค มื่มีเมีย อ, อะไรก็จบแค่นี้นะจริงเรื่องนี้หลวงพ่จะต่อตอนเย็นนะต่อตอนเช้านั่นนะสองเรื่องนี้จะพอแล้วเดี๋ยวจะเบื่อนะสองสามเรื่องนี้สักเราไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมก็เรา อ, อไปทําให้ได้ก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะต่อถ้าทำํำมาได้เดี๋มันเกิดปิติของมันเองคือเบาสบายโล่งปร่งแต่ก็อย่าเพลินนะก็พิจารณามันไ ป, ม, นไปมันเทียมไหมก็ให้มันเกิดบ่อยๆก็ดีเพราอว่าให้จิตของเรามีประสบการณ์เพราะมันเกิดภาวะนี้มันจะจิตแล้วก็จะมีกําลังกําลังกู้ส่วนเมกีจะเกิด การภาวนาต่อไปก็แล้วก็จะชับเร็วขึ้นในการสัมผัสอารมณ์ที่ดีๆนะเราจะเรียนโยกุมก่อนสักพักหนึ่งเนาะ